สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาเสนอรายการธรรมรับอรุณกับพระมหาไพบูณ์อภิปุณโ น, โนในทุกวันพุธเป็นช่วงของต้ร่มปฏธิบทก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อมแม่บทที่พระโพธิช้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ เรามาทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งตามบุฟังเพื่อให้จิตรนนั้นพร้อมแก่การดีจะศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาในวันนี้เราจะเจริญทุกขสัญญาคือการหมายรู้โดยความเป็นทุกข์ในสิ่งต่างๆหมายรู้โดยความเป็นทุกข์นั้นก็คือคิดนั่นแหละคิดเอาเลยสัญญาน่นคือความคิด ความคิดเอาคิดว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นั่นคือสัญญาคิดว่าสิ่งนี้เป็นทุกเข้าใจว่าสิ่งนีญญ้เป็นทุกนั่นคือทุกกับสัญญาเป็นทุกยังไงเรามาพิจารณากันสัญญานะจะทำ่เกิดปัญญาสัญญามาก่อนยานคือปัญญาจึงมาทีหลังเราก็ฝึกทำความเข้าใจสิ่งอะไรที่เป็นทุกบ้างเช่นความร้อนไง เออฉันก็ไม่ชอบร้อนหิวไงเออฉันก็ไม่ชอบอยู่ิวง่วงด้วยชล้ก็ไม่ชอบง่วง่วงแล้วก็ปวดด้วยฉันก็ไม่ชอบปวดเออพวกนี้เป็นทุกข์อยู่คุณหมายรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ถูกต้องแล้วต่อพี่ตูบฝังสุงเขเวทานาก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะที่ว่าอร่อยอร่อยอาหารนี้รสดีนั่นก็นเป็นทุกข์เหมือนกันนะร่างกายนี้ มีสุขภาพดีอยู่นั่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะหรือว่าท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีพวกนี้เป็นทุกข์หมดนะอทําไมท่านว่ายอย่างนั้นก็บรรดาชาสอนให้เห็นความจริงไงให้เราหมายรู้ในความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆสุขเนี่ยมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์แทรกอยู่ทุกในที่นี้เราจึงต้องกินความกว้างเข้าใจใลึกซึ้งทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยาก คนอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยได้ยากถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้มันคงอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้จริงๆไม่ควรจะว่าได้ยากหรอกควรจะว่ามันไม่ได้เลยละ่ะเวลาเหตุของมันเปลีป่ยนแปลงไปแล้วจะให้มันคงอยู่อะมันไม่ได้เลยไงมันไม่ได้ไอ้ความที่เราจะพยายามควบคุมเหตุของมันน่ยมันจึงยากเวลาเราเข้าใจเหตุผลแล้วใช่ไหมล่ะว่าถ้าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นต้องสร้างเหตุเหตุเนี่ยมันควบคุม ได้บ้างไม่ได้บ้างมีความยากมันจึงอยู่ตรงนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างผลมันก็จึงไม่ได้บ้างได้บ้างอ็แหละอสพาวาที่มันควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนี่มันจึงทุกข์ไงเพราะมันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมไปตลอดหลักษณะที่มันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมไปตลอดนี่แหละจึงเรียกว่าทุกข์ให้เราเข้าใจสภาวะนีตอนหน้าจะยังไม่เข้าใจหลอดมืฝังแต่ก็จำๆเอา เออท่านบอกว่ามันก็มีเหตุใช่ไหมมันถึงจะอยู่ได้ก็เหตุมันไม่ได้มันก็จึงไม่อยู่เออมเป็นความทุกข์คือมันตนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ดูที่สภาวะของมันข้อนี้สภาวะของมันข้อนี้ถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปของสุขเป็นสุขเวทนาแต่มันจึงเป็นทุกขสัญญาเราหมายรู้ความทุกข์ในสุขเวทนานั่นเลยกำลังเราจึงจะเป็นผู้มีปัญญา ได้บางให้รักษาสติรักษาปัญญาของเรานเ่าไว้ให้ดีเอาล่ะตัมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขันหาในรายการธรรมารับรุน ช่วงของใต้ร่มปพิีบทตุวันพุทธเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะซึ่งก่อนที่เราจะได้มาทำความเข้าใจนั้นเราก็ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้หรืออิน r m ม t ชันข้อมูลที่เรากำลังจะได้รับไปทำอันตราย ต้นเปรียบไวเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราไปจับงูพิษถ้าไม่รู้วิธีจับงูฉกเราได้ตายเลยถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหพลาดการศึกษาธรรมานีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบุฟังเหมือนเป็นการไปจับงูพิษถ้าศึกษาไม่เป็นทําไม่ถูกไม่เข้าใจไม่ได้ื้นที่ยกตนข่มท่านบ้าง ตีตนเสมอท่านบ้างคิดว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีหรือบางทีอาจจะตรงข้ามกันว่าโอ้มันยากมันไม่ได้ฉันทำไม่เป็นมีความคิดแบบนั้นไปก็มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกฝั่งมันไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะทำที่เราจะปฏิบัติอยู่ที่ว่าการศึกษาทำความเข้าใจความเพียรสัต ถาสติสมาธิอินทรีพระเหล่านี้ต่างหากที่ว่าเรามีเหตุไหมถ้าเราได้สร้างเหตุทำเหตุซึ่งเหตุมันก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละผลก็จะเกิดขึ้นในเวลาตัดมาตัดมาได้หัวข้อที่ยกขึ้นที่จะพูดในสัปดาห์นี้ก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องกองขันห้ขันหที่ได้ว่าไปในสัปดาห์ที่แล้วนั้นในการ โดยรวมทั้งหมดซึ่งว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเรียกว่าทุกข์ได้มันทําให้เราทุกข์ยังไงทําไมสิ่งนั้นถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วทําอย่างไรถึงจะอยู่กันได้จึงจะไม่ทุกข์นี่เราได้พูดกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จาะลงไปในรายละเอียดแล้วก็การทํางานของแต่ละส่วนแต่ละส่วนในสัปดาห์นี้จึงจะมาอธิบาย ถึงการทํางานของมันตั้มบูฟังแล้วที่ว่ามันทํางานกันมันแยกกันยังไงก่อนมันแยกกันยังไงแล้วมันรวมกันยังไงสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ที่มันแยกกันอย่างนี้แล้วทางานอย่างนี้มันจึงทําให้เราทุกข์มันจึงให้เป็นที่แต่งความยึดถือเราจะอยู่กับมันยังไงอันนี้เราได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราต้องมาศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งลงไปนั้นตั้มบูฟัง เพื่อเกิดปัญญางไงเกิดปัญญาในการที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับอยู่กับมันได้ไงเราจึงมาศึกษาทำความเข้าใจกันคั้แรกก่อนดูาฟังว่าขันห้าทั้งหมดนี่ที่ว่ามีห้าอย่างห้าอย่างมัน5อย่างอย่างไรแต่วันนี้เรามาลงรายละเอียดกันอุปทานขัน 5. หน้าแต่เราเรียกชื่อเต็มๆของเขาขันคือกองคือกลุ่ม กลุ่มนี้ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมีห้าประการแยกเป็นกลุ่มก้อนได้ห้าอย่างโอเคนะห้าอย่างมีอะไรบ้างอุปทานขันห้าได้แก่รูปอุปทานขันห้าได้แก่เวทนาอุปทานขันได้แก่สัญญาอุปทานขันได้แก่สังขาร และอุปทานขันได้แก่วิญญาณให้ความหมายแต่ละอย่างดูฝั่งรูปถ้าในความหมายว่าอย่างนี้คำว่ารูปะรูปะหมายถึงกิริยาที่แตกสลายได้ถ้ากิริยาคือการแตกสลายได้จากเหตุอื่นมากระทบเช่นเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคานความร้อนความหนาว พูดง่ายๆคือสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมจับต้องได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ของแข็งของเหลวก๊าซธาสีดินน้ำไฟลมพวกนี้เรียกว่ารูปก็คือสิ่งที่เราทำการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันทางชีววิทยาทางด้านเคมีทางด้านฟิสิกส์ดวงดาวสิ่งแวดล้อมสสาร พันุ ก, กรรมพวกนี้คือรูปทั้งหมดสัมบูฟังอารแวร์นะเออเป็นสาสารเป็นรูปธปรรมจับต้องได้นะนี่คือรูปทีนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ4ีอย่างนี้เป็นนามละตัมบฟังอาจจะเคยได้ยินขันหขันสี่และขันหนึ่งเออในบทสวดมนต์ ที่แผลเมตตาก็มีนะถ้าขัน5ก็คือรวมกันทขันนี้ช่รูปปีตนาสัญญาสังขารวิญญาณขัน4ก็คือหมายถึงสัตว์บางประเภทเนีไม่มีส่วนของรูปนั่นก็คือสัตว์ที่อยู่ในอรูปประพรมไม่มีส่วนของรูปอยู่เลยเป็นนามทั้งหมดก็คือมีความรู้สึกคือเวทนามีความคิดนึกต่างๆคือสัญญา มีการปรุงแต่งไปได้นั่นนี่นะคือสังขารมีวิญญาณการรับรู้แต่ไม่ได้ผ่านรูปไงไม่ได้ผ่านรูปเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเห็นภาพได้ยินเสียงเนี่ยจะไม่มีซึ่งเรื่องของอรูปสัญญาสัตว์คือสัตว์ที่มีตัวตนแบบเป็นนามไม่ใช่เป็นรูป เช่นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัททั้งสองท่านคืออาราตดาบทกลมโคตและอุตกระผู้รามบุตรสองท่านนี้เป็นอารูปประพรมซึ่งทำไมไม่ได้สามารถจะสื่อสารกันได้ว่าต้องคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะไม่มีหูงไงถ้าไม่มีหูมก็จึงคุยแสดงทำกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับสัตว์ ประเภทที่ว่าไม่มีหูก็คือบาที่เราอาจจะได้เคยดูสารคดีสัตว์บางประเภทมันหูหนวกตาบอดแต่มีแค่สัมผัสทางกายอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่เหมือนกันบ่างเหมือนก็ยังมีสัมผัสทางกายนะคือเป็นส่วนเป็นรูปรูปละเอียดกับไม่มีรูปก็ไม่เหมือนกันอีกไม่มีรูปนี่คือไม่มีรูปเลยคือเป็นนามล้วนๆเลย แต่มีรูปละเอียดเช่นพวกเทวดาสัตว์นรกเปรดอสุรกายพวกที่ผุดเกิดขึ้นทั้งหลายพวกนี้คือยังมีรูปนะท่านฟังแต่เป็นรูปละเอียดคำว่ารูปละเอียดหมายถึงมันเปลี่ยนแปลงได้แตกสลายได้เป็นสาสารได้แต่ละเอียดกว่าไงอย่างเช่นแสง แสงเนี่ยจัดได้ว่าเป็นรูประอะไรเอาถ้าคุณเอามือไปบงังมันมันก็ไม่เห็นแล้วไงเอาเปลี่ยนแปลงได้เลยเนี่ยเพราะว่าความร้อนความหนาวสมมติที่เราเอาความร้อนก็ไปจ่อใส่แสงสว่างเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างวุดๆบ้ดบา้าแสงเป็นรูปเป็นคลื่นเหมือนคลื่นเสียงคลื่นแสงแต่ว่าเป็นของละเอียดกว่า พวกดินพวกน้าของกษัตสสริย์นี่ง่ของแข็งของเหลวกา๊กาซก๊าซก็ละเอียดกว่าของเหลวของเหลวก็ละเอียดกว่าของแข็งของแข็งความหนานแน่นมันก็ไม่เท่ากันอีกของว่าแต่ละแข็งแบบไหนเพราะฉะนั้นละเอียดอยากมีในแต่ละส่วนอ็อนี่ก็จึงมาถึงจุดนี้เลยว่าทำไมท่านถึงเรียงกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ คือเรียงไล่ไปตามจากหยาบสู่ละเอียดจากหยาบที่สุดคือรูปหรือรูปเองก็จะมีจากหยาบมากไปถึงละเอียดลงไปก็คือของแข็งไปจนถึงกา๊กาซก๊าซไปแล้วก็ยังจะเป็นแสงนั่นคือรูปส่วนที่เป็นนางทั้งหมดคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญา ก็หยาบกว่าสังขารสังขารก็หยาบละเอียดไม่เท่ากันกับวิญญาณวิญญาณก็จะละเอียดที่สุดเปถึจุดราจะอธิบายให้ฟังเอาเวทนากับเช่าสัญญาซะ ก, ก่อนทังเวทนาแปลว่าความรู้สึกท่านใช้คาว่ากิริยาก็คือกิริยาถ้าแตกสลายได้คือรูปนี่นั่นคือส่วนของรูปไง แต่ถ้าความรู้สึกอิริยาที่รู้สึกได้อิริยาที่รู้สึกได้อันเป็นผลของผัสสะคุณรู้สึกว่าไงไม่ใช่เ่าฉันรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะไอ้ร้อนไอ้เย็นเนี่ยเป็นสัญญาแต่ว่ารู้สึกว่าสุขบ้างทุกบางรู้สึกบางทีไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์นะ ความรู้สึกนั้นนั่นนะ่ะเรียกว่าเวทนาจึงต้องอธิบายไปปร้อมกับสัญญาให้ฟังเอาทีาฉันรู้สึกง่วงฉันรู้สึกเงาฉันรู้สึกร้อนฉันรู้สึกหิวไอพวกนี้ทำไมท่านถึงบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกแต่บอกว่าเป็นสัญญาสัญญาเนี่ยแปลว่าหมายรู้ถ้าพูดเต็มๆคือหมายรู้ได้พร้อมเมืออท่านก็จะแปลนะภาษาไทยนี่ยแปลว่า จำได้หมายรู้แต่พาเราพูดว่าจำได้หมายรู้มันก็เลยจะกลายเป็นเมมโมรี่เป็นความจำมันก็ไม่ใช่ไงทุกฝังเพราะลักษณะของเมมโมรี่ความจำมันจะไปคล้ายๆกับเรื่องของสติสมากกว่าแต่ว่าสัญญาก็ไม่ใช่สตินะสัญญาก็อันหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งอยา่เช่นคนที่เคยฝึกภาวนานี่ในตอนแรกเราทาความเข้าใจเรื่องทุกขสัญญาใช่ไหม ที่เราฝึกปิบัติมาเมื่อสักครู่นี้ อ, อ๋าทำไมเป็นสัญญาเออเป็นทุกขสัญญาเออเรื่งที่ไราอธิบายไป ว, ว่าความหมายรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกขนะ์นะไม่ชิสุกนะคุณต้องเรียนรู้คุณต้องศึกษามานี่คุณต้องให้เข้าใจว่าเป็นอย่างเี้ลักษณะแบบนั้นน่ะให้หมายรู้ได้ว่าเป็นอย่างนี้อิริยาที่หมายรู้ได้นั้นนะ่ะเรียกว่าสัญญา หมายรู ui, ้ไอ้เนี่ยสีเป็นอย่างเงี้ยเรียกสีเขียวสีเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าสีเหลืองหรือ ย, อย่างเงี้ยเรากําลังพูดเข้าใจกันอยู่ด้วยภาษาไทยแต่ถ้าพูดว่าเพนพูดว่า pants พูดว่า building นี่พวกในภาษาอังกฤษนะ cat dog นี่ภ า, าษาอังกฤษคุณหมายรู้ได้ไงว่านี่นเป็นภาษาน่นนะก่อนนั้นแหล้หมายรู้น่ะคือสัญญามันไม่เหมือนกันกันกบเวทนาใช่ปะเวทนาเป็นแค่ความรู้สึก นี้พอเราใช้สัพพะส า, าคือการใช้สัพพะสามันเพี้ยนไปทีไน่าไม่บางทีอย่างอื่นที่มันเป็นสัญญาเราก็ได้มาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกไปเช่นรู้สึกง่วงรู้สึกเจ็บรู้สึกเบารู้สึกหนักจริงๆเหล่านี้คือสัญญาไม่เหมือนกันยังไงเราพูดถึงความเจ็บก่อนก็ได้บางคนเจ็บแล้วก็ไม่ชอบ บางคนก็เจ็บก็ต้องไม่ชอบสิท่านพูดอะไรเอา้าแต่ไม่เห็นเราบางคนก็ชอบเจ็บๆนะบางคนชอบเจ็บๆไอ้ที่สบายๆไม่ชอบแล้วทำไมเขาถึงมีเวทนาแบบนั้นไอ้ที่ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบมันก็เป็นเวทนาไงแต่อีที่ว่าเราบอกว่าเจ็บอเี้ยเจ็บนี่คือเป็นสัญญาไง ấy. ความหม่รู้โอ้ยไม่ชอบเลยความรู้สึกแบบปวดหัวความรู้สึกแบบงง ความรู้สึกแบบหนักๆเนี่ยฉันไม่ชอบไอ้ความรู้สึกคุณเรียกชื่อเขาได้นั่นคือสัญญาจริงๆเราไม่ควรใช้คำว่าความรู้สึกด้วยซ้ำเพราะว่ามันจึงสับสนไงแต่จริงพอเราหนักๆเจ็บๆแล้วจึงค่อยมีเวทนาจริงๆว่าให้ฉันไม่ชอบนะเนี่ยนี่เป็นทุกขเวทนาโอเคไหมหรือตัวอย่างหนึ่งเราบเบาๆเย็นๆเนี่ยแม่ฉันชอบนะก็เบาๆเย็นๆ ที่คุณเรียกว่าเบาได้ที่คุณเรียกว่าเย็นได้จ ร, จริงๆมันไม่ใช่ความรู้สึกมันเรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้ได้ไงแต่อิที่เบาอิที่เย็นเนี่ยฉันชอบนะเออนึง่งคือเวทนาคือความรู้สึกจริงๆความรู้สึกคือเวทนาจริงๆเกิดจากภาษาที่มากระทบเราจึงค่อยเรียกชื่อภาษาแบบนี้ ว, ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยใหเรียกชื่อภาษานั้นว่าเป็นอะไรเนี่ยเราใช้คําว่าสัญญาไอ้ภาษาที่มาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันชอบหรือไม่ชอบ นันคือเวทนาเอเอาอย่างนึงนะฟังนะอันนี้ต้องอธิบายคู่กันเพราะมันมาด้วยกันเวทนาก็เป็นผลของผันสักสัญญาก็เป็นผลของผันสักมาด้วยกันได้เอามีผันศัแบบนี้มากระต๊กกึกึกกึ๊อยู่ที่ไถทอยเนี่ยโอ้มันมันกึกกึ๊กกึ๊นิเป็นอะไรโอมันร้อนโอยใครมาเอาอะไรร้อนๆมาประคบตรงนี้ ภาษาที่เราเรียกชื่อเขาได้ว่าร้อนเนี่ยราะนั่นคือสัญญาไงภาษาที่มากระทบคืออุณหภูมิเท่านี้มันคือผลทพะใช่ปะมากระทบที่กายคือผิวหนังบริเวณท้ายตอยแล้วเรารับรู้ได้นะเรารับรู้ได้นี่คือวิญญาณใช่ปะการรับรู้ผลทพะในที่นี้คืออุณหภูมิที่เนี่ยมากระทบที่ผิวหนังคือกายเนี่ย แล้วมีการรับรู้ผ่านทางกายคือกายวิญญาณเนี่ยสามอย่างนี่รวมกันนึกว่าภาษาหนึ่งละมีภาษามากระทบแล้วเราเรียกไอ้ชื่อภาษาเนี่ยหมายรู้ขนาดนคือร้อนภาษานี้เราเรียกว่าร้อนเรียกชื่อเขาไดน้นั่นนะ่ะคือสัญญาเฮ้ยความร้อนที่จะไม่ชอบเลยจริงๆเราก็แค่เรียกชื่อภาษาใช่ไหมเราไม่ได้ไม่ชอบไอ้เจ้าสัญญานี้หรอกแต่เราไม่ชอบไอ้เจ้าภาษานี้ต่างหาก เวทนาจึงเป็นผลของการสัมผัสคือผัษสะว่าฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้คนเดี้แล้วเรยกว่าเป็นทุกขเวทนาคนไทยเราจึงเรียกไอตรงนี้ว่าเป็นความรู้สึกซึง่งจริงๆแล้วควรจะเรียกชื่อผัษสะนั้นว่าเป็นสัญญาแล้วคุณรู้สึกต่อทชอบผัษาะนี้นั่นคือเวทนาแต่เวทนานะทุกฝั่งมันปรุงแต่งได้นะ ว่าถ้าคอคุณปวดอยู่ไงไตทอยคุณปวดอยู่แล้วเขาเอาอะไรร้อนๆหมัดประคบใช่ปะมันก็อุณหภูมิเท่าร้อนๆเหมือนเดิมแต่กี่นี่แหละเป็นภาษาใช่ไหมมากระทบที่ผิวกายตรงบริเวณไตทอยแล้วเราก็จะมีการรับรู้สามอย่างรู้ว่าเรียกผ่าตัดกันแล้เราก็รับรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือความร้อนนะเนี่ยแม่แต่ฉันชอบนะเนี่ย อาไมคุณถึงมีสุขเวทนาเกิดขึ้นได้มันเป็นการประคบประคบร้อนเป็นลนักษณะการรักษาอย่างหนึง่งอ๋อทำไมสัญญาปเปาาลี่ยนแปลงวะล่ะก็สัญญาไม่เปลีป่ยนแปลงไปได้ไงตามแต่ว่าที่คุณจะหมายรู้โดยเนืภูมิอย่างเดียวกันการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนี่มันคือสังขารพูดไปพูดมาเป็นการอธิบายการทํางานของกันห้าล่ะจริงๆแล้วเราอธิบายการทํางานของกันหน้าก็จะเข้าใจความหมายของแต่ละอย่างในตัวด้วย ยกตัวอย่างตรงเนี้เพื่อให้ธรรมฟังได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเวทนากับสัญญาคือเอาจุดนี้ก่อนก็ได้ธรรมฟังว่าทำไมเรถึงต้องเข้าใจแยกแยะเหมือนได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมุติเรางงงมึนมนรวมรวมปั้นปั้นปนปนเหมาเมากันไปเนี่ยมันไม่ชัดเจนไงอะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนมันก็เข้าใจยากเข้าใจยากมันก็ยอมรับยากปัญญามันก็จะเกิดได้ไง เพราะฉะนั้นจึงต้องระับกลุ่มรอับคอบไม่ละหลวมเอาตาม definition definition แปลว่าอะไรคุูฟังมีสัญญาในคำนี้ไหมเฮ้ hey, definition แปลว่าอะไรวะมันก็แปลว่านี่แหละมันคือความหมายไงความหมายของเจ้าเวทนากับสัญญาว่าไม่เหมือนกันเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความหมายรู้ได้ปลอม หมายรู้ได้พร้อมคือเรียกชื่อมันได้นะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นว่ารถยนต์คำว่ารถยนต์นี่มันไม่มีการหมายรู้ได้พร้อมในชื่อสิ่งนี้เมื่อสักประมาณ500ร้อปีก่อน500ปีก่อนนี่รถยนต์ไม่มีนะทุกฟังเพิ่งจะประดิษฐ์มาอาอแล้วชื่อนี้เข้ามาได้ไงเอาเก็ปรุงแต่งไง มันมีการปรุงแต่งจากนี่แหละรถมา้ารถมา้ถมามีมาตั้งแต่เมื่อไรโอ้เป็นหลายพันปีแล้วรถมา้านี่เขาก็เอามา้สาสัตว์ที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วมีพละกกำลังก็มาฝึกให้ขี่ได้ไรไ ด, ได้ขี่ได้มันขี่ได้คนสองคนใช่ปะเขาก็เลยเอามันเชื่องแล้วก็เอารถมาเทียมมันเข้าไปทำเป็นเกวียนเธอรถเกวียนเนี่ยมีมาเป็นหลายพันปีแล้วก็เรียกว่ารถเกวียน ใช้ม้าเทียมบ้างใช้โคเทียมบ้างรถเนี่มีอยู่ทีนี้พอเรามีการคิดคน้นระบบเครื่องจักรกลที่เป็นระบบของไอ้น้ำในเครื่องจักรไอ้น้ํามาใส่ล้อเข้าไปมันหมุนได้เออมันเดินได้เออมันเคลื่อนที่ได้อะนี่ไงรถยนต์เป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรกลจึงเรียกคําใหม่ ตามอะไรเนี่ยเงื่อนไขาการปรุงแต่งของเขาถ้าเงื่อนไขาการปรุงแต่งถูกขับเคลื่อนด้วยมา้าเราก็เรียกว่ารถมา้าถ้าเงื่อนไขาการขับเคลื่อนของมันเป็นโคหรือเป็นสัมประเภทอื่นเราก็เรียกว่าเกวียนถ้าเงื่อนไขของมันเป็นเครื่องจักรเราก็จึงเรีเยกว่ารถยนต์เ้ชื่อมันเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยใช่การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้ ไปจากเดิมที่มันเป็นอยู่เนี่ยตามเงื่อนไขให้สําเร็จรูปของเหตุนั้นนั่นเรียกว่าสังข า, ารสัญญาสังขารก็ไม่เหมือนกันเนี่ยสังขารหมายถึงกิริยาที่ปรุงแต่งให้สําเร็จรูปถ้ามีการปรุงแต่งจากรถมา้าใช่ไหมใส่เครื่องจากกลไปอะไรสําเร็จรูปขึ้นมาแล้วเฮ้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรก็มีสัญญาใหม่ขึ้นมา จึงปรุงแต่งสัญญาที่1คือรถม้าให้สมดุลรูปเป็นสัญญาอย่างที่2ขึ้นมาคือรถยนต์การปรุงแต่งตรงเนี้ยคือสังขารสัญญาที่เราเรียกชื่อที่1ขึ้นมาว่าคือรถม้านี่คือสัญญาที่เราเรียกชื่อที่2ขึ้นมาไอสิ่งที่2ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยว่าคือรถยนต์นี่คือสัญญาที่สองสัญญา1เปลี่ยนเป็นสัญญาสองโดยสังขาร ที่เรียกชื่อไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองนั้นคือสัญญาตอนแรกเราก็ชอบรถม้าอยู่เพราะว่ามันก็มีแต่สิ่งที่เราทำได้แบบนี้ใช่ละ่ะดีๆความรู้สึกเกิดเป็นสุขเวทนาในรถมา้าคือภาษสาทที่เราเห็นแบบนี้แต่พอมีรถยนต์เกิดขึ้นพัฒนาใหม่ขึ้นมารถม้าไม่ชอบแล้วนะเวทนาที่เป็นสุขจากรถม้าเดิมถูกปรุงแต่งให้สาเร็จรูป ใหม่ที่มาล้ด้วยสังขารเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนาในขณะที่เวทนาที่ไม่เรื่อยจะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะเพราะมันไม่มีมาแต่ก่อนเลยเจ้ารถยนต์เฮ้ยตอนนี้กลายเป็นสุขเวทนาเออมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในสิ่งใหม่นั้นจากไม่ได้จะบอกได้มันเป็นสุขหรื อ, รอทุกข์เป็นอทุกขรมสุขเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาขึ้นมาถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้สังขารเข้าทํางาน รุงแต่งอะไรเนี่ยรุงแต่งเวทนาจากอาทุกขมสุขให้เป็นสุขเวทนาสํำเร็จรูปขึ้นมาหรื อ, อตัวอย่างหนึ่งกระดาษหนังังเพื่อเห็นภาพชัดเจนระหว่างเจ้าเวทนาสัญญาและสังขารแล้วก่อนที่จะไปยกอีกตัวอย่างหนึ่งทบทวนนะความหมายของเขาใช่ไหมเวทนาคือกิริยาที่รู้สึกตอบผลอันเกิดจากผัสสะนั่นคือเวทนา สัญญาคือกิอริยาที่หมายรู้ได้พร้อมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบนั้นที่รับรู้นั้นนั่นสัญญาในขณะที่สังขารคือกิอริยาที่ปรุงแต่งให้สาเ ร, ร็จรูปเพราะใ น, นเวลามันปรุงแต่งใหเ ร, ร็จรูปเป็นอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสังขารมันก็ปนอยู่ในนั้นแหละหรือจะบอกว่ามันจบไปแล้วก็ได้หรืที่เป็นมีใหม่มานั้นเรีว่าสัญญาก็ได้ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือเราซื้อมาเป็นไรมันเป็นรูปไงาคุณจับต้องได้ใช่ไหมล่ะอ้ารูปนี่มันมาได้ไงเพาะเมื่อก่อนมันก็เป็นทรายเราทรายมาเป็นโทรศัพทมือถือเขาเขปรุงแต่งไงเขาทําเป็นกระจกบ้างเขาทําเป็นซิลิคอนบ้างเขาทําเป็นชิปเป็นอะไรประกอบใส่กันพร้อมกับเหล็กพร้อมกับวัสดุอลูมิเนียมอะไรต่างๆกันขึ้นมาเสียนซอฟต์แวร์อะไรต่างๆลงไปตามแต่เมมโมรีที่มันจะเก็บไว้ นั่นคือรูปทั้งสิ้นเลยนะหนูฟังซอฟต์แวร์โปรแกรมคือรูปนาะมไม่ใช่นามนะซอฟต์แวร์โปรแกรมเพราะมันทําไมอะ่ะก็มันไปอยู่ในสิ่งที่ต้องเป็นฮาร์ดแวร์ไงคือถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มก็รันไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์มันจะเป็นส่วนที่เป็นรูปละเอียดไงส่วนที่เป็นรูปละเอียดที่ก็ต้องเขียนเป็นโค้ดเก็บไว้เป็นระบบคลดิจิทัลที่ต้องพึ่งอยู่กับฮาร์ดแวร์นั้น ก็เป็นรูปละเอียดนัและอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทั้งเจอระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบอินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็เป็นรูปที่มีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปคุณซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมาละไอ้ที่เราเรียกชื่อว่ามันของจากบริษัทนี้ผลิตมาตอนแรกมันก็มีปุ่มมีอะไรอยู่หรอกแต่พอตอนหลังๆมันไม่มีปุ่มแล้วมันมีแต่ทัชสกรีนไอ้ปุ่มเนี่ยมันก็เป็นรูปที่หยาบกว่าทัชสกรีน แต่สกรนที่คุณเนิ้วจิ้มๆลงไปได้นะมันก็เป็นรูปที่ละเอียดกว่าใช่ไหมล่ะเราหมายรู้เรียกเขาได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็แล้วโทรศัพท์มือถือนี่มันต่างกับโทรศัพท์อาม่ายัางไงโทรศัพท์อาม่าเขาเรียกว่าสตูปิทโฟนคือโทรศัพท์ซื้อบื้อนะแต่ถ้าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนี่ก็เรียกสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์อัจฉรยิยะเราสามารถรู้กําหนดตารางงาน เตือนเราต่างๆนั่นนี่มี AI เออมันค่อยฉลาดหน่อยไม่เบือเอาเราเรียกมันนั่นคือสัญญาใช่ปะล่ะโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาแล้วเราซื้อมาเราจึงค่อยมีความพอใจมีความสุขที่เราได้มันมาใช่นความสุขที่เราได้มันมามนคือเวทนาใ้ชื่อเรียกที่เราเรียกมันว่านี่คือสมาร์ทโฟนนี่คือสัญญา สมาร์ทโฟนนะถ้าผลิตจาก บ, บริษัทนี้นะเราเรียกว่าอย่างนี้ถ้าผลิตจาก บ, บริษัทนั้นนะเราเรียกว่าอย่างนั้นเอาที่ว่าคุณเรียกชื่อต่างกันได้จากบริษัทผู้ผลิตนะนั่นคือสัญญาณไงเสียอันนี้คือ Android นะอันนี้คือไอโฟนนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรไทซินโอเอสไคลโอเอสอุบัติอะไรต่างามันก็เป็น OS ที่จะเรียกเป็นโทรศัพท์ได้มีหลายอย่างได้มีแค่2องค่าย เราเรียกชื่อต่างๆของเขาเหล่านั้นได้นี่คือสัญญาณไงไอ้แล้วที่เขาบอกว่าทําไมมันมีหลายอย่างหลายเจ้าแดงโอ้มันเป็นสังขารการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากแบบหนึ่งให้เป็นอีกแบบหนึ่งไงไอ้จากฮาร์ดแวร์แบบนี้คุณนี่เขาคิดขึ้นก่อนคนหนึ่งก็เห็นก็บอกเ อ, อ้ยมันทำได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันฉันก็ปรุงแต่งแบบนี้มาเป็นสมาร์ทโฟนอีกแบบหนึ่งขึ้นมาไอ้การปรุงแต่งนั้นนั่นน่ะคือสังขารจากรูปแบบหนึ่งคือ ฮาร์ดแวร์แบบนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบหนึ่งคือฮาร์ดแวร์แบบหนึ่ง OS แบบนี้ฉันไม่ชอบ iOS j เอสชอบแอนดรอฉันก็ปรุงแต่งจาก OS แบบนั้นไม่เอาฉันทําอย่างนี้แทนหนึ่งก็เป็นรูปละเอียดให้เป็น Android ขึ้นมาอีกเจ้าหนึ่งบอกใหม่ๆฉันชอบแบบนี้ฉันจะปรุงแต่งเป็นแบบนี้แต่ทำไมคุณถึงปรุงแต่งไปได้อย่างนั้นอ่ะก็ฉันมีความรู้สึกเป็นอย่างเนี้ย ความรู้สึกที่ว่าฉันพอใจไม่พอใจฉันก็ปรุงแต่งออกไปตามกระบวนการไม่พอใจก็ปรุงแต่งหนีพอใจก็ปรุงแต่งไปหาตามสัญญาความหมายรู้อะไรต่างๆที่เรากําหนดรู้ขึ้นหมายรู้ขึ้นมันก็จึงได้รูปใหม่ขึ้นมาการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปจากรูปนี้เป็นรูปอีกแบบหนึง่งการปรุงแต่งนั้นนะ่ะคือสังขารรูปละเอียดอันนี้จากโอเออันนี้จากแฮนด์เบรนอันนี้ ก็มาเป็นรูปละเอียดหนึง่งเป็นโอยสิยารหนึง่งเป็นรูปยาบคือโทรศัพท์มือถือแบบอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมารูปใหม่ขึ้นมาแล้วน่ะนั่นคือรูปไงเออฉันหนึ่งจะค่อยพอใจอา้าวเขามีเวทนาคือความรู้สึกที่ทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นก็คือเวทนาเวทนาสัญญาสังขารนีนอธิบายสามอย่างไปพร้อมกันบริตัวอย่างหนึ่งดูฝัง เอากันให้แจ่มแจงไปเลยที่ตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเสื้อผ้านี่ก็เราไล่เหมือนแต่รถใช่ปะจนมาถึงโทรศัพท์มือถือเนาะตอนนี้เอาเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เป็นอะไรถ้าตามความหมายของขันหน้านะเอาเนี่ยเดี๋ยวมดกัดมันก็ขาดเดี๋ยวเจออะไรกระทบมันก็เปื้อนมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่มากระทบแต่งสลายได้อันนี้มันคือรูป เบสิกเลยท่านอาช่เป็นกูรูทีนี้รูปนี้ใช่ไหมคุณรับรู้ถึงรูปนี้ได้ไงว่ามันมีอยู่เป็นอยู่อยู่ต่อนหน้าเราหรือเราถือมันอยู่หรือเราจับมันอยู่คุณรับรู้ได้ก็ต้องวิญญาณไงผ่านทางอะไรตาไงเห็นว่ามันเป็นผ้าอยู่เนี่ยเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นอะไรนี้จับมันได้ใช่ไหมจับมันก็มือไงเป็นกายเรารับรู้ถึงความมีอยู่ของรูปนี้ คือเสื้อผ้าผืนนี้ผ้านี้เสื้อตัวนี้ก็ผ่านทางตาผ่านทางกายรับรู้ได้นั้นน่นะคือวิญญาณเล้วพอมีรูปในทนี้คือผ้ามากระทบเป็นแสงผ่านทางตามีตามีรูปจึงมีวิญญาณคือการรับรู้สมอย่างเนี้ย คืตาคือรูปคือจากษุวิญญาณร่วมกันหรือว่าผัสสะนี่เพิ่มวิญญาณเข้าไปอีกหนึงนะวิญญาณนะคือการรับรู้หรือการรู้แจ้งรับรู้กัหมายรูปไม่เหมือนกันนะคือภาษนไทลอย่างที่ทุกฝังหรือว่าครูบาอาจารย์เพินแปลมาเนี่ยมันก็ตามรูปสับบาลีแหละ แ, แต่ตัวบาลีเองเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับสัญญาได้อย่างชัดเจนกว่า พอพูเป็นภาษาไทยว่าหมายรู้ไอ้หมายรู้ได้ความอ่อเขคือสัญญาและรับรู้หรือรู้แจ้งหนูมไม่ยากเกินทาความเข้าใจนะั่นตฟังแต่ขอให้มีความรัด ก, กุ่มนิดหนึ่งเรารับรู้ถึงผ้าผืนนี้มีอยู่ต่อหน้าเราได้ผ่านทางตาผ่านทางมือเรารับรู้ได้า น, น, นคือวิญญาณรับรู้มาเข้าสู่ในช่องทางใจนะั่นเป็นลายภาษามีภาษาแล้วไงอ่ะผ้าผืนนี้ฉันชอบนะ ฉันชอบมันสีสวยดีคุณรู้ได้ไหมันเป็นสีอะไรอ้าวก็หมายรู้ได้สีม่วงนี่สีฟ้าไงนี่สีเขียวม่วงกับเขียวมันเข้ากันดีนะอ้าวคนที่เขาชอบแบบนี้ใช่ป่ะเขาก็จึงมีสุขกเวทนาเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่เทสเขามันไม่ใช่ม่วงแล้วก็เขียวน่ะมันไม่เข้ากันเลยบางคนว่าฉันไม่ชอบเขาก็มีทุกขเวทนาไงมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น ในภาษาที่มากระทบนั้นเนื้อผ้าล่ะอย่างในคุณสมบัติทางกายใช่ไหมล่ะผ้านี้เป็นอะไรก่อนนะเป็นรูปใช่ไหมคุณรับรู้ผ่านเข้ามาแล้วมันเป็นวิญญาณจึงค่อยรู้ได้ว่าเนื้อผ้าหยาบเนี่ยเนื้อผ้าละเอียดนี่เนี่ยหยาบละเอียดมันแค่หยาบละเอียดเดี๋ยวนี้เขาจเรืยต่อไปเป็นฝ้าฝ้าผ้าไหมผ้าเวสปอยผ้าโอชิปาถาหลายผ้าเหลือเกินผ้าเยอะแยะมากมาย ชื่อต่างๆของเขานั่นน่ะก็คือสัญญาผ้าประเภทนี้จากผืนนี้เอาไปตัดเป็นกางเกงเออมันเขาท่าดีชิ้นผ้าเวสปอยไปตัดเป็นกางเกงแต่ถ้าผ้าเวสปอยไปตัดเป็นเสื้อนะมันไม่ค่อยเขาท่านะเอาทำไมอ่ะมันเทอะทะดูแล้วมันไม่ดีสัญญาใหม่ขึ้นมาที่ว่าเป็นเสือ้อนี่นั่นคือสัญญาใช่ปะ เวทนาใหม่ขึ้นมาที่ว่าไม่ชอบเป็นทุกขเวทนานั่นก็เวทนาใหม่ขึ้นมาล่ะจากอะไรปรุงแต่งไงปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงถ้าสวมจากข้างบนการปรุงแต่งที่สวมจากข้างบนเราเรียกชื่อใหม่คือสัญญาว่าเสือ้อการปรุงแต่งนั้นคือสังขารเพาผ้าพื้นเดียวกันเนี้ยไปทำเป็นสวมจากข้างล่างสวมจากข้างล่างอยู่ที่ว่ามีขาไหมขาเนี่หมายถึงที่มันมาหุ้มขาเราทั้งสองข้าง แต่มีขาเราก็เรียกว่าเป็นกางเกงชื่อใหม่มาได้ไงเนี่ยสัญญาใหม่เนี่ยเราก็ปรุงแต่งแบบนี้ไงแบบแบบมีขายยาวๆนี่ขายยาวก็ขาหนึ่งนะชื่อหนึ่งใช่ป่ะขาสั้นก็ขาหนึ่งนะเรียอีกชื่อหนึ่งนะขายยาวขาสั้นก็เรลยคนเราชื่อคนสัญญาแล้วถ้าไม่มีขาไม่มีขาเป็นทรงๆลงมาก็เรียกกระโปรงแต่เดี๋ยวนะถ้าเป็นขาบานๆใช่ป่ะเขาเรียกกระเปรงนะเฮ้ยชื่อใหม่มาได้ไงเนี่ยมาได้เพราะสังขาร การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของมาันจากแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งตามแต่ที่ดีไซนเนอร์เขาจะทําแล้วก็อีกความรู้สึกที่ว่าเขานิยมชมชอบกันเปลี่ยนแปลงตามสมัยด้วยทุกวันนี้ใครใสก่กระเพลิงดิเชยยิดูข้าพเจ้าเฉยก็ไม่แน่ใจล่ะแต่เมื่อก่อนนี่โอ้ฮิตมากมาสมัยหนึ่งกลายเป็นเฉยเดี๋ยวนี้อาจจะกลับมาคิดใหม่ก็ได้ความรู้สึกของคนหมู่มากที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ในสิ่งของเดียวกันนะ่ยมันคือเวทนาไงความรู้สึกใช่ปะอะไรทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเก็สังขารเขาทางานสังขารก็ทํางานตามอะไรขานิยมบ้างตามเทรน์ตามแฟชั่นอะไรจากสิ่งอื่นจากต่างประเทศบ้างจากดาราบ้างก็แล้วแต่ละอาไรามันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนัง่นคือสังขารไงสังขารเกิดขึ้นในอะไรได้บ้างท่านอธิบายบอกว่าปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูป นี่คือสังขารปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาสังขารวิญญาณให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็นสัญญาสังขารและวิญญาณเราสังขารมันก็จึงปรุงแต่งได้หมดทุกอย่างนะเข้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยได้ในทุกอย่างไงสังขารเพราะฉนั้นแจะพูดก็พูดก็คือ สังขารเนี่ยมันก็ละเอียดกันพอกับในระดับของวิญญาณสังขารวิญญาณถ้าจะให้ข้าพเจ้าแบ่งนะก็จะละเอียดพอกันมีตนาสัญญาก็ละเอียดพอกันแต่ยาบกว่าสังขารวิญญาณทีนี้พอเราเข้าใจความหมายต่อไปอนะั้นท่ฟังยกมาสามตัวอย่างนะไอ้เจ้าวิญญาณวิญญาณเรามาดูความหมายของเขากัน ความหมายของวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งนักแปลบางท่านก็จะแปลว่าการรับรู้รับรู้อย่าไปสับสนว่ากรหมายรู้นะรับรู้หรือรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณต่ออะไรต่อภาษาที่มากระทบต่ออารมณ์นั่นนะเสียงมากระทบหูจงเกิดวิญญาณขึ้นในแต่ละอย่างทั้ง5อย่างนี้นะท่านฟัง รูปเวทนาสัญญาสังกัญวิญญาณมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุเกิดของเขาทั้งสิน้นเงื่อนไขปัจจัยเหตุเกิดของไหลาจากละเอียดไปมาคราวนี้วิญญาณวิญญาณเงื่อนไขปัจจัยเขาเกิดได้ต้องมีตามีรูปจึงจะมีวิญญาณนี่คือเงื่อนไขการเกิดขึ้นของเขาการมีอยู่หรือคงอยู่ของเขา ถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้มีเสียงมากระทบหูดิท่ฟังจะได้ยินเสียงได้ไง อ, อไม่มีเสียงก็ไม่ได้ยินเลท่านหัวใจไงล่ะก็ถ้ามีเสียงแล้วมีหูเนี่ยพระมหาไปบูร์พูดอยู่นี่ท่านผู้ฟังฟังอยู่นี่โอมันจึงเกิดโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางหูถ้ามีอาหารมากระทบลิ้นดิ อาหารก็ต้องกระตบลิ้นใช่ไหมละ่ะอาหารไปกระตบหูมันจะไม่รู้สึกเค็มหวานเลยหรือจะไมไ่รู้สึกดังค่อยด้วยเพราะอาหารมันเป็นลักษณะของรสคุณเอาหูไปฟังส้มตำเมื่อจะรู้ว่ามันอร่อยเหรอมันไม่ใช่แนละมันก็ลยอย่างการรับรู้ถึงเค็มหวานได้ต้องลิ้นใช่ไหมละ่ะให้รับรู้ได้นี่เพราะมีลิ้นและอาหารไม่ใช่เพราะมีเสียง และหูการรับรู้รสอาหารที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าชิวหาวิญญาณผ่านทางลิ้นไงและถ้าเอาหูไปฟังอาหารุณไม่ได้ว่ามันไม่ถูกช่องทางวิญญาณของเสียงจึงไม่เกิดเพราะอาหารมันไม่ได้ผลิตเสียงเพราะทวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะที่ต้องมีเสียงมีหูมีการรับรู้ตรงนี้ก็จึงเรียกว่านามรูปไงทุกบุฟังเพราะมีนามรูป จึงมีวิญญาณกระบวนการตรงนี้มันจึงเรียกว่าเป็นอย่างนี้มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพอมีวิญญาณแล้วนะ้นหวังสามอย่างรวมกันเรียกว่าเป็นพัสสะพัสสะเนี่ยจึงตามต่อมาเป็นผลให้เกิดการปรุงแตง่งคือสังขารให้เกิดการหมายรู้คือสัญญาให้เกิดความรู้สึกคือเวทนา ภาษาเป็นเหตุของสังขารสัญญาและเวทนาภาษานะภาษาคืออะไรจริงนะมีการรับรู้มากอ่อนไงมีการรับรู้คือวิญญาณมาก่อนมีนามรูปมาก่อนมีนามรูปมีวิญญาณรวมกันแล้วจึงเรียกว่าเป็นัาษามีภาษาแล้วจึงมีสังขารการปรุงแต่งในที่นี้หรือนี่คือนิยหนึ่งสำัง ที่ถ้าบอกว่าเราไลา่ตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทใช่ปะที่บอกเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญ ญ, ญาณอ้าในที่นี้หมายความว่าแสดงว่าสังขารมันมาก่อนนามรูปก็มาก่อนวิญญาณเอ๊ะทําไมในทีน่นี้ท่านบอกมีผ่านสัตว์แล้วจึงเป็นสังขารนี่ไงมาอยู่ที่ว่าเรามองการปรุงแต่งในระดับไหนถ้าเรามองการปรุงแต่ง ในระดับมหาภาคเลยนะเฮ้ยทั้งหมดนี่มันเป็นการปรุงแต่งหมดอะไม่ว่าจะเกิดวิญญาณขึ้นก็เป็นการปรุงแต่งจากวิญญาณประเภทหนึ่งให้เป็นวิญญาณอีกประเภทหนึ่งจากที่ไม่มีวิญญาณให้เป็นวิญญาณขึ้นมาการปรุงแต่งให้สมรรถรูปนั้นก็คือสังขารหรือถ้าเรามองหลังจากนั้นบอกคุณต้องมีการรับรู้ก่อนนะคือวิญญาณก่อนหนะ้ามีผัสสะแล้วนะจึงก็มีการปรุงแต่งอะไรตามต่อไปสังขารแบบนั้นก็ได้ เพราะฉะนันพระจ้าึบอกว่าไอ้สังขารวิญญาณมันก็ละเอียดพอกันนะแต่ว่าถ้าใครจะมองจากมุมนี้เอก็ละเอียดกว่าแ้าใครจะมองจากอีกมุมหนึ่งเอาก็ยาบกว่าอยู่ไรก็ตามเหตุเกิดก็มันมาเป็นอย่างนี้แหละมีภาษดจึงมีสังขารหรือมีอวิชชาจึงมีสังขารหรือสังขารทั้งหมดมันเกิดจากเหตุเงใใื่อนไขปัจจัยเราเรียกว่าสังขารก็ได้ตัววิญญาณมีนํารูปเป็นเหตุ ภัษตาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกคือเวทนาแต่ไม่เกิดความหมายรู้คือสัญญาส่วนเจ้ารูปเหตุเกิดของมันคือธาตุสีทั้งหมดเลยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนัม่นคือรูปจึงมีการบัญญัตินมาได้สิ่งที่น่าสนใจจากเหตุเกิดของมันดูวหวังที่เราบอกว่าคือภัตตะเป็นเดชให้เกิดสังขารสัญญาและเวทนาใช่หม สังขารคือการปรุงแต่งสัญญาคือความหมายรู้เวทนาคือความรู้สึกแสดงว่าในผัสสะที่เป็นเหตุเกิดของเจ้าสามอย่างนี้ต่อไปจนถึงรูปด้วยเนี่ยเอามันมีวิญญาณก็ไปแทรกซึมอยู่หมดเลยนะถูกต้องบูฟังและพระเจ้านี้จึงเรียกสี่ขันจากรูปเวทนาสัญญาและสังขารเนี่ย ว่าเป็นที่ก้าลงของวิญญาณเป็นวิญญาณทิฏฐิคือที่ก้าลงของวิญญาณเอาละอะไรมาก้าวลงในวิญญาณตามต่อไปจนถึงรูปได้จิตเนียบดวบฟั ง, ง, งเคยบอกไว้กับบริภาชกคนหนึ่งบอกว่าจิตเราเนี่ยหลอกเราเนี่ยถูกจิตหลอกอยู่ให้มายึดถือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนแต่ละไล่อย่างเงี้มันคือไล่จากหยาบมาละเอียดใช่ไหละ่ะจริงๆเราควรจะไล่จากละเอียดไปหยาบเพราะกันปรุงแต่งกมันออกไปจากความละเอียดจิตเนี่ยมายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนพอจิตยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนแล้วใช้วิญญาณที่ไปยึดถือกระบวนการตรงนี้คือเกิดเป็นผัสสะมีผัสสะแล้วมันก็จึงปรุงแต่งต่อให้เกิด สังขารให้เกิดความหมารู้คือสัญญาให้เกิดควา ม, มารู้คือเวทนาสังขารสัญญาเวทนาที่ต่อไปมันก็ต่อไปจากวิญญาณมันก็ยึดถือต่อไปนั่นแหละวิญญาณที่ไปก้าวลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เรียก ว, วิญญาณทิฏฐินั่นแหละรูปกระดวเหมือนกันยึดถือรูปด้วยจิตนี่ไปยึดถือผ่านทางอะไรวิญญาณจิตยึดวิญญาณก่อนโดยความเป็นตัวตน ถ้ไม่หลายๆคนเข้าใจว่าวิญญาณคือจิตจิตคือวิญญาณไงซึ่งมันก็ละเรื่องเลยถ้าเราเข้าใจว่าวิญญาณคือจิตจิตคือวิญญาณนั่นกูคุณแยกความยึดถือออกกันยังไม่ได้แต่จิตไม่ใช่วิญญาณแต่จิตมายึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวนตวนวันนี้พุทธพจน์ตรัสไว้ชัดเจนบอกไว้กับบริพาโชคนี่จิตนี้ ปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงมาเมื่อยึดถือก็ยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนจะยึดถือวิญญาณใช่ปะแล้วจะไปยึดถือรูปไปยึดถือเวทนาได้ไงพอยึดถือวิญญาณวิญญาณรวมกับนามรูปเป็นผัสสะผัสสะก็เป็นเหตุเกิดของเจ้าสังขารคือการปรุงแต่งภัสสะก็เป็นเหตุเกิดของเจ้าสัญญาคือความหมายรู้ ภาษาก็เป็นเหตุเกิดของเจ้าเวทนาคือความรู้สึกอยู่แล้วไงถ้ามันเกิดมาด้วยความยึดถือความยึดถือก็ตามต่อไปในสังขานสัญญาและเวทนานั้นนามถูกยึดถือต่อไปได้อย่างไรรูปก็ถูกยึดถือต่อไปได้อย่างนั้นนั่นคือรูปยยึดถือไปด้วยจากเจ้าการรับรู้คือวิญญาณทั้งหลายทั้งแหล่ ที่เกิดขึ้นทางช่องทางต่างหูจมูกลิ้นและกายกระบวนการการเกิดขึ้นของมันนี่มันจึงแจกแจกองออกมาอย่างนี้ทั้งหังเพราะฉะนั้นในชื่อเรียกที่บอกว่าเป็นที่ตั้งของวิญญาณนี่นะที่เราใช้คำว่าวิญญาณทิติเนี่ยคือสังขารสัญญาเวทนารูปใช่ไหมท่านยกอุบมาเป ร, เรเียบเทียบไปคือเป ร, เรียบเหมือนกับพืช ดินและน้ำแล้เจ้าตัวพืชนี่ที่ถ้ามันยังมีเชื้องอกอยู่ก็คือเมล็ดบ้างอาจจะเป็นตาบ้างเป็นยอดบ้างของมันเนี่ยไปโตต่อได้นะพระพุทธเจ้าอุปมาอันนี้เทียบกับวิญญาณโดยถ้าวิญญาณยังมีเชื้อหมายถึงอะไรมันมีเชื้อมาจากอะไรวิญญาณเนี่ยมันมีเชื้อมาจากจิตที่มันมาก้าลงเกิด แต่ถ้าวิญญาณไม่มีเชื้อใช่ไหมมันก็จะไม่ได้ต่อโตขึ้นเป็นต้นไงวิญญาณที่มีเชื้อไปเกิดต่อได้นั่นคือจิตมันมาก้าวลงไอ้เจ้าถ้าวิญญาณมีเชื้อแล้วไปก้าวลงดินดินในที่นี้คืออีกสอย่างที่เหลือได้แก่สังขารสัญญาเวทนารูปสังขารสัญญาเวทนารูปเปรียบเหมือนเป็นดินเรียกวิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ตัววิญญาณที่มีเชื้อหมายถึงจิตมาเก้าลงแล้วเล่นเปรียบเหมือนเป็นมเมล็ดเป็นตาเป็นยอดของมันพอมันก้าลงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีน้ํามารดลงไปน้ําในที่นี้คือนันที่ราคานันที่แปลว่าความเพลินราคะคือความกําหนัดอินดีนันที่ราคาคือความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินถ้ามีนันที่ราคาเป็นเหมือนกับน้ํา รถลงไปจากวิญญาณที่มีจิตมเข้าวลงแล้วลงไปในดินคือสังขารสัญญาเวทนารูปโตต่อได้แน่นอนุูฟังไม่ว่าจะอินโนเวชันแบบไหนเขาจะผลิตสื่ออะไรใหม่ออกมาหรือแม้แต่ระบบการเมืองระบบสังคมหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกหมดนี่นะ ม, มาจากตรงนี้แหละ โตขึ้นมาเป็นต้นได้ใหญ่ได้สร้างประโยชน์ได้สร้างปัญหาได้เพราะว่าวิญญาณที่ประกอบด้วยนันติราคค์ลงไปเข้าลงในรูปเวทนาสัญญาและสังขารปรุงแต่งเป็นความคิดบ้างเป็นความรู้สึกบ้างนี่คือส่วนของนามปรุงแต่งมาเป็นรูปบ้างจับต้องได้บ้างนี่คือส่วนของรูปปรุงแต่ ง, งมาตามจิตของเราที่้าไปยึดถือ วิญญาณนั้นให้มีเชื้องอกต่อไปได้เรื่องนี้สําคัญมากเลยนะฟังนะถ้าฟังไม่เข้าใจไม่เก็ทเนี่ยต้องฟังซ้านะหรือจะพูดซ้ําให้ฟังก็ได้เอาเข า, าใหม่ดูนะถ้าเบอกว่ามเมล็ดนั้นมันไม่มีเชื้องอกล่ะคือเป็นมเมล็ดตายแล้วก็คือหมายถึงวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีจิตมายึดถือมาก้าวลงไม่ได้มีเชื้อแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปรับรู้แล้วก็ ปรุงแต่งต่อไปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารรูปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาไงเพราะวิญญาณก็คือวิญญาณธรรมดาการรับรู้ธรรมดาไม่เลยจะมีผลอะไรมันก็ธรรมดานะ่ะไม่มีปัญหาถ้าไม่มีจิตมายึดถือที่ลงไปในดินแต่มันโตต่อไม่ได้ดินก็เป็นดิ น, มนเมล็ก็เป็ น, มนเมล็ดมันก็ถูกฝังไ้เป็นดินก็เหมือนกันเป็นตามธรรมชาติมันไป เห็นไมา้ฟังมันเริ่มที่จะมีแนวทางนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกําจัดไอ้เจ้าเชื้องอกนี่คือที่จิตของเราหนึ่งวิธีที่หนึ่งหรือเราอย่าใส่น้ําลงไปถ้าบอกว่าจิตเรามันยังกําจัดไอ้เจ้าเชื้อที่มันจะไปงอกต่อยึดถืออะไรมันยังไม่ได้นะอย๋ยวน้อยพยายามละความกําหนัดเรว่อำนาความเพลินคือน้ํา ที่เวลามันจะไปลดลงสิ่งที่เมล็ดมันลงไปคือรูปปิธนาสัญญาสังขารเวลามีการรับรู้เกิดขึ้นของจิตคือวิญญาณที่มันมีเชื้องอกแล้วเนี่ยที่ใช้คําพูดเนี้ยจิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือจิตไปทําหน้าที่ในวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันไปก้าวลงในสิ่งต่างใช่ไหมวิญญาณมันถูกยึดถือด้วยอะไรก็จิตมาแล้วไงคือเมล็ดมันมีเชื้องอกแล้วมันไปก้าวลงคือมันถูกหย่อนลงไป่ได้ดินน่ะ เวลาจิตไปทไําหน้าที่ในการรับรู้คือเมล็ดมันถูกหย่อนลงไปในดินอย่างน้อยขอนะ่ะอย่าเปลิอนอย่ากําหนัดยินดีคือนั้นที่รักคะถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เปลินมีสติจอตรงข้ามกับความเพลินความเปลินก็ลดลงใช่ไหมพอเปลินลดลงก็หมายความว่าน้ําคุณไม่ได้ใส่ลงไปเมล็ดลงไปในดินมันงอกไม่ดีหรอก หมายถึงเรื่องราวอะไรที่มันจะปรุงแต่งตามต่อเนื่องมามันก็จะน้อยลงก็จึงให้เรารักษาสติไว้ไงเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้น้ามันลงไปทาไมอ่ะเพราะน้ำมันคือนั้นที่ราคาสติคือไม่เปลินไงพอไม่เปลินน้ำไม่มีต้นมันโตต่อได้ไม่มากนิดหน่อยปัญหาน้อยทีนี้องไรก็ตามรากเง้ามันยังไม่ถูกกาจัดไงรากเงามันคือเจ้าตัวจิต เจตัวตวิญญาณสติเนี่ยมันจึงยับยั้งได้ระดับหนึ่งสติยับยั้งได้ระดับหนึ่งแล้วแม้มันแบบมีปัญหาอะไรมากมายแล้วเรามาแก้กันที่เหตุจริงๆก็มันคือเจ้าวิญญาณนี่จะต้องแยกไอ้เจ้าจิตออกไปให้ได้จะต้องมีปัญญาอยากู้ฟังปัญญาให้เห็นว่าเจ้าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่มีสาระไม่ใช่มีตัวตนพอเราเห็นว่าจิตมันไม่ใช่มีตัวตนมันไม่มีอะไรเป็นภาพลวงตาเฉยไอ้ความมีอยู่เป็นอยู่มนันจะหายไปเลยทันที มันจะดำรงอยู่ไม่ได้เพราะว่าความที่เราฉลายกว่ามันแล้วที่มันดำรงอยู่ได้เราโง่มันคืออวิชาไม่เข้าใจคิดว่ามันมีอยู่ก็มันมายึดวิญญาณอยู่นี่แหละตื่ให้คิดว่ามันมีอยู่เหมือนไม้สองกมพิงกันกำหนึ่งกำหนึ่งพิงกันอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเอาอันหนึ่งออกอันหนึ่งก็ล้มคว่ำไปเลยนะเราเห็นว่าวิญญาณมันไม่เที่ยงจิตมันตั้งอยู่ไม่ได้หราหวัง ถะาราเห็นว่าจิตไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันเป็นธรรมชาติงมันเท่านั้นเองที่จะยึดถือต่อไปได้ไม่มีวันนี้นะเราได้ทำความเข้าใจในแต่ละส่วนแต่ละส่วนของเรื่องขัน5้ายงรวมถึงการทำงานของมันซึ่งก็มีความสำคัญทำให้ท่าฟังอาจจะได้เข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้น แต่จุดที่สําคัญจริงๆเราได้พูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วว่าการหน้าโดยรวมมันทําให้เราทุกได้อย่างไรเราจะแก้ไขความทุกนั้นได้ก็ต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้ยอมรับเงื่อนไขกระบวนการที่มันทำให้เราเป็นทุกเราได้คุยกันไปแล้ววันนี้ที่เราแจากแจงกันนั้นคือความหมายาแต่ละส่วนอยากจะปิดท้ายรายการตรงนี้ด้วยอุปมาอุปไ ม, ม่รม์ดูงวชพระเจ้าเปรียบรูปเหมือนกับโฟม ที่มันไหลามาตามแม่น้ําโฟมที่แบบว่าเวลาเราตีสบู่ให้มันเป็นฟองฟุดฟูฟูดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะเหมือนโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยไอยมาตามน้ําเราอาจจะเห็นว่าไอ้เหมือนก้อนเป็นอะไรแต่ว่าจับดูจริงๆแล้วมันเป็นไม่มีอะไรเปรียบเวทนาเหมือนกับตอมน้ําที่เวลาฝนมันตกลงพื้นที่มีน้ํำนอง แล้วมันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นต่อมขึ้นมาซึ่งมันมีชั่วเวลาอยู่แค่แป๊บเดียวตอนนั้นเองเกิดเป็นต่อมปุ๊บแล้วก็แตกโป้ทันทีนี่คืต้องการเปรียบเทียบให้ดูกับเจ้ารูปนะว่ามันเป็นฟองอยู่แต่มันอยู่นานใช่ไหมหเจ้าโฟมทั้งหลายแต่ถ้าโฟมขึ้นมาแล้วมันแตกโป้ทันทีนี่นว่าต่อมน้ำนี่คือเจ้าใบชะนะแต่ถ้าสัญญานะเปรียบเหมือนกับพยับแดดพยับแดด ด, ดูไกลๆเอ้ยมีตัวยุบยับ เวลาที่เราขับรถไปตามถนนแล้วมีเหมือนกับข้างหน้ามันน้ําท่วมอนะีน้ําเจิงนองอยู่เนี่ยจริงๆไม่ใช่น้ําแต่ไม่เราเข้าใปผิดได้แล้วเวลาเข้าไปดูจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของกลวงของว่างเปล่านึ่นคือสัญญาและสังขารนั้นปเปรียบเหมือนกับแกนของต้นกล้วยต้นกล้วยป่าบุ้นต้นใหญ่ๆแต่พอปลอกกาบออกปอกกาบออก กระพี่ไม่เห็นด้วยซ้ำจะมีแกนได้งไงไม่มีสว่วนวิญญาณนั้นเปรเียบเหมือนนักแสดงมายากลดูเหมือนว่าหอดได้หายตัวได้เดินทะลุฝาทะลุกำแพงได้เอาแต่จริงไม่ได้ทำได้จริงจริงดูเหมือนเฉยๆเป็นทริคของเขาถูกเขาหลอกแล้วจริงๆทำไม่ได้อุปมาทั้งห้าอย่างนี้เปรเียบด้วยกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณ ให้เราเข้าใถึงความที่แต่ละอย่างละอย่างมีการทํางานกันเป็นแบบนี้มีลักษณะที่ไม่มีแก่นสารเป็นที่พึ่งไม่ได้จะเอาเวทนาเป็นที่พึ่งไม่ได้จะเอาวิญญาณเป็นที่พึ่งไม่ได้จะเอาสมาธิเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้ด้วยซ้ำจะเอาแบบว่าจิตที่เป็นสุขอยู่ในภายในสุขนั้นเป็นอะไรเป็นเวทนาก็พึ่งไม่ได้ เราจเจาะที่พึ่งคือเวทนามันเหมือนกับการที่เราจะจับเอากิ่งไม้หรือหญ้าที่เวลาเราถูกน้ําซัดมาเร็วๆตามกระแสน้ําเชี่ยวจัดหญ้านั้นกิ่งไม้นะั้นมันจะขาดตึ๊บเลยเพราะว่าด้วยความที่เชี่ยวจัดของกระแสน้ําแต่เว่าเราจะพึ่งนะเราพึ่งตนพึ่งต่าพึ่งตนพึ่ง ต, งต่าเกทํายังไงความเพียงไงความเพียงปฏิปท า, า ม, มักแปด เราจะให้เกิดสติปัญญากำจัดไอเจ้าความยืดือในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้นั่นเองท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ในสัปดาห์นี้เรื่องของขันห้าโดยรายละเอียดแจกแจงและการทำงานของเขาและอุปมาดันั่นเองช่วงของต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีถึงกโมงเช้า าตามสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆก้าพเจ้าพระมหาัยบูบุ์อาพิปุนโนในนาของมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน